มีมีคนไข้ไตวายโดนโดนโดดฟอกไสมาที่นี่คือไมยอมฟอกไตแล้วมาใช้วิธีการที่ดีนะทำให้ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นกันแต่ไม่ได้เชียร์ให้เลิกฟอกไตแล้วท่าใครจะฟอกก็ฟอกไปถ้าพอกแล้วสบายถ้าฟอกแล้วได้ประโยชน์ก็ฟอกไปนะก็พอดีแบบนี้ไปด้วยถ้าร่างกายดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหมอขาก็ผ่อนเองแหละเรื่หมอไม่ผ่อนเราก็ผ่อนเองก็ผ่อนเองของเราถ้าเราพลังชีวิตดีนะก็ดูพลังชีวิตของตัวเองแล้วกัน ชิตเป็นของลาบกำหนดไปเลยจากเรียนรู้อะไรจะสุกอะไรก็กำหนดไปอันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะนาวาการหญิงนะครับสีไพภูนสุริมังคละที่เป well ็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลนะครับที่ค่าต really ัดแล้วก็ค่าตัดค่าคอเลสเตอรอลนะครับค่าแล้วก็สภาพของมดลูกที่ปกตินะครับเสร็จแล้วปฏิบัติตัวเจวันก็ดีขึ้นตอนได้สักเดือน2เดือนนี่แหละไปตรวจอย่างปกติหมดเลย อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไดเอารูปท่านมาเ ด, เดี๋ยววันหน้าค่อ ย, ยขอรูปท่านอ่าเป็นไรอันนี้ก็ตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานคอมดันนะครับที่มีสุขภาพดีขึ้นนะคนไข้คนนี้ก็เบาหวานคอมดันนะครับมาเข้าข่ายเราถึงน้ําตาลปกติแล้วก็หยุดยาได้นคนไข้สามคนนี้นะครับรวมกันแล้วหมดพันสองล้านบาทในการรักษาตัวเอง ไม่ดีขึ้นนะครับพ อ, อมาเข้าค่ายเราศูนย์บาดรักษาทุกโรคนะก็ดีขึ้นกันทุกคนนะครับอั่งสองคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเรื่อง ม, งมะเร็งนะครับมะเร็งที่มดลูกนะเขาปฏิบัติก็ทิ้งยากันได้หมดครับแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้ น, นแต่ส่วนคนนี้ก็เป็นทันตแพทย์นะเนี่ยเป็นทันตแพทย์นะแล้วก็เป็นโรคโรคทั้งท้ายเอสลี LE. มีตุ่มพื้นคันขึ้นตามตัวหน้ามืดวิงเวียนเป็นตุ้งแท้นะหน้ามืดวิงเวียนขึ้นใส่จเจริญงวงพวกนี้ยมดเร็วหมดแรง นะครับแล้วเนี่ยมันเป็นหนักเข้าหนักเข้านะมันมันปีดมันแตกออกมาเลยนะเป็นเหมือนกับมีดบาดตามเนื้อตัวแล้วน้าเหลืองไหลเยือกอยู่ดีๆเหมือนมีดบาดตามเนื้อตัวแล้วน้าเหลืองไหลเยือนะครับเนี่ยแล้วก็มารักษาสามวันก็ดีขึ้นคือเขารักษาตัวเองมาเป็นสิกว่าปีแล้วคนเดียวหมดตันเป็นลานแล้วมัก็รักษาตัวเองไม่ดีขึ้นนะคือมันดีๆซดนๆนะมันรักษาก็แย่ลง สุดทก็แย่น่ะพอเข้ามาที่นี่สามมาก็ดีขึ้นก<อ>าเหลือที่หลายเยิ้มก็หยุดแท้เลยต่างก็ดีขึ้นนทุกวันนี้ทารายการเ MTV รายการสุขภาพแปดออน <c oughs> เอาเราไปออกทีวีเลยนะเราก็เลย อ, ก, อ, อ, ย อ, ยอก็อย่าปล่อยอนักอ่อกปล่อ ย, ย, ยนักเนอ้เกๆกันอะยู่จะออกปล่อยนักจะออกปล่อยนักเดี๋ยวายจะตายออกนานออกทีนี่ต้อรงไกลนะ น, น, นานออกพี่ไมนานออกพี่ออกไปล่อยไว้ได้ไหมไม่รอดไม่รอดแฟนจมามากน ไปนะกขาแข็งแรงกันโอเคฮะคนคนนี้คนไข้คนนี้เป็นเนื้องอกในสมองนะครับก่อนมาเข้าไข้ขก็หมดเงิหลายแสนแล้วนะครับในการรักษาแต่ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นพ อ, อมาเข้าไขยเราห้ า, าวานาันเท่านั้นร่างกายก็ดีขึ้นหุดยาได้แล้วแผลสะเก็ดเงินของเขานะครับที่เขาเป็นมาห้าปีแผลสะเก็ดเงินเป็นมาห้าปีรักษาหมอที่ไหนก็ไม่หายหายไปในห้าวันน่าประจันไหมสะเก็ดเงินนี้เขาไม่มียารักษานะทุกวันนี้หมอจะไม่มียารักษานะแต่เห็นไหม เขารักษาตัวเองได้เขารักษาตัวเองได้ครับโดยเนี่ยใช้หลักแพทย์ประจิพุทธเนี่ยนี่คือความมัศจครับสภาพสมองอะไรก็ดีขึ้นครับวันที่มาเนี่ยพูดไม่ปฏิปต่อเลยนะงงมึนๆพอได้ห้าวันเนี่ยเขาบอกเออแปลกสมองเขาเรียกเรียงได้เขาเรียกเรี ย, ร ย, รยงความคิดอะไรได้หมดเลยครับแล้วเขาพูดเป็นฉับๆเลยนะเนี่ย โอ้ท่านไ้ชักค่อยชัทําเลยนะแล้วก็มีมีคนไข้ที่เป็นเน้ออในสมองเนี่ยเวนี้มาหลายคนลวมีหลายเคสนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึงแล้วก็มีนองอกที่ฟ่อลงก็มีหลายเคสลมาแล้วก็ฝ่อลมีหลายช่วงตอนนี้เนี่ยมันก็เปไปได้หมืนรายหนึ่งนี่ก็ที่เล่าให้ฟังกันแหละนะเป็นเน้ออกในสมองหมอที่สัมประสิทธิ์ที่ผสมก็นัดผ่าเขาเน้งอกที่สมองแล้วเป็นอัมพาตครึ่งซีนะครับ เขาเป็นอยู่ประมาณเดือนกว่าก็สาปายปฏิบัติไม่ดีขึ้นแล้วหมอนักถาเขาไม่อยากผ่าเขาเลยมาที่นี่แล้วก็ปฏิบัติซิกวันเดินได้นะเออไม่ได้ถ่ายรูปไปแม้วหอนี่ไม่ได้ถ่ายรูปซิโวันกำมือได้เดินได้แต่หมอสโลว์ยังเป็นเราไ่รูเท่าไหร่นะแล้วผมไม่ได้แตะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกดจุดอะไรไม่ได้มีช่วยอะไรนะบอกวิธีอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปทํำทานี่มหัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นไปได้หรือไม่ได้ วันนี้ก็เด็กอายุหกขวบกับป่วยสารพัดอันหนักหนั ก, นกทั้งนั้นเลยไทยลอยต่ำหนังตาตกชักกระตกลิ้นหัวใจรัว่วคิดเูสิโอ้โหโนี่พูกเราพวกเราเ <c oughs> มาของโลกเราเมากับเด็กเลยพ <c oughs> ูกเราเมาของโลกเราเมากับเด็กเลยลนะ หมดสี่ปีที่ผ่านมาเขรักษามาสี่ปีนะัน้นในโรงพยาบาลดังๆที่กรุงเทพนั้นเลยทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลไปหมดนะหมดทั้งประมาณสี่แสนในการรักษานะครับเนี่ยคนเนี้ใช้แค่จ่ายสี่แสนเอาแม่พาไปรักษาแต่ก็ไม่หาย ร, าาร่างกายยังแย่อยู่ประมาณเข้าไข้ของเราสามวันนะจากไข้ที่ไม่ลดลงเลยนะสามสี 3, ่เดือนต่อเนื่องกัน 38, สามสิแปดุด้าองศาไข้สูงนะสามสิบปดจุดห้าองศาไม่ลงเลยสามวันไข้ลงครับแล้วเด็กก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็หยุดยาหน้า วันที่รีเฟอร์มาก็เป็นท่านแทนปัจจุบันนะท่านแทนปัจจุบันส่งมาน่ะ ท่นี้ท่านีท่านท่านทานก็ศรัทธาแนวทางของเราอยู่นะครับศรัทธาแนวทางที่เราทานี่อยู่ท่านเป็นแพทแผนปัจจุบันที่เป็นหัวหน้างานผ่าตัดมะเร็งี่และสท่านผ่าตัดมะเร็งนะผ่าตัดหัวหน้างานผ่าตัดที่ภูมิพลผ่าตัดมาเกือบยีปี่าบอกคนไข้หายไปถึง10บรายท่านเลเลิกทั่มาทำธรรมชาติบำบัดงานแพทย์ทธรรมชาติเพราะว่าท่านก็ศรัทธาแนวทางของเราเวลาท่านรากคนไข้ไหายนะท่านก็จะบอกนู่นไปหาหมอเขียวนู่นผมช่วยไม่ได้เลยเขาว่าเขียว พอเ่ยวยช่วยไ้เไปดูส่มาเลยแล้วนะส่งคนข้หนักๆเขาเลอเลยโอ้ยทันทีส่งเค้กส่งอะไรมาบ <laughs> ้างนะส่งอคนไข้หนักนะแต่แต่เอา่างนั้นนะแต่คอเราเร ก, ก็แล้วก็รู้สึกเออผมก็ชอบใจนะผมก็ชอบใจก็รู้สึกเออแค่ท่านนี้มีๆๆเป็นอะไรที่มีน้ําใจท่านคือไม่ไม่ไม่มัดคนไข้ไว้ไม่ใช่ชอบใจที่คนไข้หนักมาแต่ชอบใจในน้านําใจ <MS. S 1> เออเป็นเป็นท่านที่ใจกว้างอ่ะเราก็รู้สึกชื่นชมอ่ะชื่นชมเออท่านใจกว้างดี ถ้าสมมติก็รู้ว่าตัวเองรักษาไม่หายอะไรยังไงถ้าเห็นว่าทางไหนที่คนไข้จะได้ไประโยชน์แลกะก็สมไปก็่อดีจะทำงานช่วยกันไปผมว่าดีแพทย์ใจ ก, กว้างก็ดีเนี่ยคนนี้ก็มาจากภาคใต้จากสงขลาครับเป็นมะเร็งต่อทองซีมลูกดานไปต่อน้ำเหลืองหมดคนหลายมื่นในการรักษาตัวเองไม่ดีขึ้นนะครับก็มันเพรมันไม่ใช่เราก็มาเข้าค่ายนะ ก้อนบวมแข็งที่คอนะครับบวมใหญ่แล้วนะเข้ามาฟั้นเนี่ยก้อนบวมแข็งที่คอเลยยุบลงนะครับแล้วก็เอี้ยวคอได้แล้วก็หายปวดภายในห้าวันมันมหัศจรรย์ไหมเนี่ยตอนนี้ตอนยุบแล้วตอนนี้ตอนยุบแล้วเหลือน้อยแล้วเนี่ยะครับเนี่ยภายในห้าวันวันที่มาไมพูดใชบไม่ได้เลยเพราะวันสุดท้ายพูดชัชัดชัดนะเพราะว่าก้อนมเป็นบวมใหญ่ไงพอมันยุบปุ๊บเนี่ยก็ก็ปวดด่างนะครับเนี่ยก็มหัศจรรย์ อ่าป่ ว, วยไมเกรนคนนี้เป็นไมเกรนคนนี้เป็นแม่บ้านของคนที่คนเมื่อกี้นี่แหละเป็นไมเกรนปวดทุกข้างเดียวมาตั้งแต่เด็กอ่าปวยประจำเดือนทุกครั้งที่มีประจําเดือนเป็นประจําเลยทุกครั้งที่เป็นประจําเดือนต้องกินยาไม่กินยาไม่ได้เขาบอกโอ้ไม่กินยาใจขาดตายเน่นะเขาบอกทุกทรมานเขาบองไม่ไหวมันทรมนันเขาต้องกินยาทุกครั้ง ปฏิหารเกิดครับเขาอยู่ไปห้าวันนะไม่ได้ตั้งใจรักษาโรคนะจะมาเฝ้าพระบ้านก็ <c oughs> เลยกินไปกับเขาไปอย่างนั้นแหละกินไปเลยไปปฏิหารเกิดอาการไมเกรนหายก็บอกเนี่อาการไมเ ก, น ก, มเนาการเกนหายไปนะหายไปแล้วก็เป็นครั้งแรกคนนีน ม, มีประจำเดืนอนตามปกติเขาบอกเป็นครั้งแรกที่มีประจำเดือนแล้วไม่ปวดประจำเดือนนี่คือปฏิหารนะครับความจริงอาการปวดประจำเดือนก็คืออาการที่มันร่างกายร้อนมาก พร่างกายร้อนมากๆมีที่ตร้อนมากแล้วมันเดือนหนึ่งมันก็ระบายคลิตประทันประจำเดือนอะสำนอกคลิตอะระบายออกมาออกทางมดลูกออกมาทางเลือดส่งควอมร้อนมาที่เลือดนะแล้วระบายมาที่มดลูกนะครับพอส่งมาที่มดลูกปุ๊กเนี่ยนะส่งมาที่มดลูกเนี่ยเรื่องความร้อนที่มันมากมันก็เลยเผาความร้อนที่มากมันก็เลยเผามดลูกนั้นให้เสื่อมนะครับเผามดลูกนั้นให้ปวดเผาประสาทให้ปวดเผาให้เกรงค้างพอแข็งเกรงค้างก็เลยปวด แต่จะน้ำวิธีแก้าการปวดจำเรือนมันก็ไม่ไยากหรอกถอนพิกร้อนออกในยาเก้าเม็ดนี่แหละคุณทําไปเรื่อยเวลาคุณมีจำเรือนคุณจะไม่ปวดหรือปวดน้อยคมันจะไม่ปวดเพราะว่ามันไม่มีพิกรจอดมาเผาหมดลูกเพราะนั่นแหละไม่ต้องไปตัดหมดลูกหลายค น, นาารักษาไม่เป็นแล้กินยาแก้ปวดปว ด, ปวดเอาไว้ทิ้งอยนอยู่เหมือนเดิมอยากปวดมาเขามาเขาตัดหมดลูกเลยแย่เลยนะเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปตัดนะครับ หรือเวลาเป็นน่ะสมมติว่าเอาละเราไม่ได้ถอนพิษต้นทั่วไปแล้วบางเอิ้ในช่วงนั้นมันปวดมาหลังจะแก้อย่างไรก็ถอนพิษต้นออกเมื่อเรารู้แล้วว่าตน้นเนี้คือพิษต้นมันเผามัดลูกนะคนุณก็ทอนพิษตอ้อนออกสิอย่าไปยากอะไรเลยนะขณะที่มันกําลังปวดๆอยู่ก็เอาแล้วมันเขี่ยวนึงนึกสารด น, น้ำหนแก้วสัตว์ก็ได้ที่นั่งพโพลโฟินเข้าไปก็ได้นะ วัวซาก็ได้วัวซาตรงบริเวองน้อยหรือบริเวณเทวลอบๆกันแหละนะที่ตรงกับก้นลูกตรงกับที่ปวด น, นะน่ะนะกดจุดเส้นม้าก็ได้กดเส้นม้ า, <c oughs> ม, ามั น, นมันจะช่วยถอนพิษจากก้นลูกเป็นมานที่ขาใน่ฝุดตอนเช้ากดเส้นม้ามเป็นสุดขานะก็ช่วยทุยเราได้นะหรือกดเส้นลมบาณทั้งหกเส้นที่แขนนี่ระบายพิษออกที่แขนแทนนีก็ได้ ผมเคยเจอผมเคยปวดมากๆย น, นะหรือเอาสมุนไพรที่งเงย็นพอกทาได้โอ้มันได้สารพัดอะไรเลยหรือบิดเอวหน่อยนะถ้านอนบิดเอว ล, ล่ ะ, ะถ้็นทาแกล้ปวดดลูกนะครับและนอนบิดเอวล่ะจับเข่าปุ๊บปุ๊บปุบนะพอกระดูกข้อที่คืบหรือกังเข่าที่ปุ๊บมันก็จะเบานะอย่างเงี้ยเอาสมุนไพรที่งเจ็นพอกท า, าได้ครับพวกนี้อะไรต่างๆนะต้องว่าหาวิธีที่จะเอาความร้อนออกจากตรงนั้นน่ะมีทอ่อซึมก็เร็วนะ ทไทยเป็นประจำเดือนรีบไปดิท้องเซอร์อ้ปวดปวดพลูมากๆอะ่ะแล้วอาการปวดก็ทุเราผมเจอคนไข้หลายคนปวดทีเป็นจะตายคุณหมอมาทำหมอดิท็ทอกได้กระเปา๋ารีบไปทำเลิศผมบอกนะหน้าเขียวมันหน้าดำดำเขียนรีบไปทำเลยลจะเบาพอไปทำเสร็จนะลูก น, นี่ทำตั้งานเพว่ายิ้มออกมาเลยโอ้ยเวลาใส่ปวดเราจะรู้มันยิ้มไม่ออกหรกอกปวดพ้นลูก ยิ้มไม่ออกเลยพวนี่กับตัวเองเคยปวดเคเราตัวเองก็ปวดยิ้มไม่ไปเคยปวดฟันมันยิ้มไม่ออกเกันเข้าใจปวดเลูกกนยิ้มไม่ออกปวดขาไมนยิ้มไม่ออกจริงจปวดเมลูกยิ้มไม่ค่อยออกลำทมานเป็นอย่างงั้นเพราะฉนั้นปวดมือลูกเนมันแก้ง่ายพวกเรานี่ยเขาแก่กันเป็นนะไปกินยากวดอาไว้มีพิษมากๆ ปวภารสาทว่อ ย, ยารู้ว่ามีพิษอยารู้ว่าปวดอยารู้ว่ามีพิษอยารู้ว่ามีิรู้ว่ามีพิษเรอไม่ได้แก่อะไรเลยสาดของพิษือนเกา่ามือนเกา่ามือนเกา่าสุดท้ายก็พังหมดเลยไป่เลืออะไรนะเลยเฮ้ยไปหลอกตัวเองเลยนะเราก็ถอนพิดจอนออกไปอย่างเงี้งยในก่อนไทยคนไข้ตัวนี้ก็นะ หางตาตกปิดตานะหมอหนักผาตัดไม่อยากผ่าก็มาใช้เป็นทางของค่ายสองอาทิตย์นะครับก็ลืมตาได้อเป็นหนักเลยนครับหมอที่ศิรราชหนัดผ่า <c oughs> ก็ของอาทิตย์ก็ลืมตาได้โดยไม่ต้องผ่านะครับ <c oughs> อ่คนไข้คนนี้ก็เป็นครูอยู่ที่ศร <c oughs> ีสะเกาขอพ่อเป็นพิษมีเนือ ง, งอกที่มดลูกนะครับหมอหนัดผาตัดเหมือนกันนะ ใช้ในทางของไข้ ข, kommen, ของเราหนึ่งเดือนนะครับปฏิบัติตัวเต็มท้งหนึ่งเดือนปรากฏว่าขอพ่อประยุบไปเจอเยอะนะขอพ่อเป็นพิษผมเจอเยอะมากเลยนะส่วนใหญ่ทําแม่แมภายในหนึ่งถึงสาเดือนมนจะยุบไปโดยส่วนใหญ่ครับขอพ่อเป็นพิษในระดับหมอนักษารักษากันนี่แหละนะหลายคนรักษาเรื่องรังมานานไม่หายทันทีเนี่ยมาปฏิบัติตัวของเราส่วนใหญ่หนึ่งถึงสามเดือนก็จะยุบลงไปนะแต่แล้วเขาก็เลยไปตรวจถ้าเจอขอมัยุบไปแล้วคํามดลูกก็เล็กลงตอนนัมนเล็กปกตินะเขาเลยไปตรวจ เขาไปตรวจปุ๊บหมอก็บอกไม่พบความมีปกติอะไรทั้งขอพอ่กทั้งหมดลูกทั้งหมด เลยสวยไปไม่ได้ชิมริง ร, รถมีดหมออืไม่มีประสบการณ์ว่ามีดหมอคงแค่ไหนอ่าก็นะสวยไปนะามีขาดประสบการณ์ไปอันหนึ่งคือถูกผ่าแต่ผมก็ไม่อยากโชคดีนะขออยากสวยแล้วกันผมขอสวยกัยแล้วกันนะสวยไม่รู้ว่ามีดหมอเป็นยังไงดีว <laughs> ดกว่าดีกวคนโชคดีนะรู้ว่ามีดหมอเป็นยังไงอ้งนันสวยแล้วก็นแล้วไปอะันั้นโชคดีแล้วก็นแล้วไปนะโชคดีแล้วก็ปฏิบัติยาให้โชคด คำสองไม่สนุกนะออก็รอดไปนะครับคนนี้เป็นมะเร็งปอด น, นะครับแล้วสุดท้ายหายใจไม่ได้นะมาเข้าค่ายเราก็หายใจได้นะมอนตั้งขาเขาอยากมาหายใจได้แล้วก็สุขภาพดีขึ้นส่วนคนนี้เนี่ยเป็นเชื้อราทำลายเล็บมาสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีเขาเป็นคนรวยฮะมีเงินมีทองนะเนี่ยรักษาทุกแผน กินยาทุกอย่างนะปรากฏว่ากินเล็บเข้าไปกินไปกินไปนะชรากินล็จนจะถึงคนสิ่งขพิกปจะถึงคนไม่ดีขึ้นใช้ใน้ำทางของเราแค่สิบห้าวันสิบห้าวันมันหยุดแล้วก็เริ่ม ง, งอกขึ้นมาใหม่เดือนหนึง่งองอกมาเต็มเลยนะครับงอกมาเต็มเลยเขาถ่ายรูปมาให้ยูนะเป็นไปได้ส่วนอนนี้ปูแพระดังเล่าให้ฟังอ่ะคนนี้ไขมันพอกตับนะครับตับแข็งไขมันพอกตับแข็งนะ ก็มาปฏิบัติตัวท like yeah, exactly> ้อรักษาที่โรงพยาบาลเนี yes ่ยไม่ไม่ไม่ดีขึ้นทำแย่ลงแย่ลงอะแล้วหมอก็บอกไม่มีปัญหาหายตาแน่เราก็เลยมาเข้าค่ายกันพอมาเข้าค่ายเราห้าวันร่างกดีขึ้นอาการจุกเสียแน่นท้องปวดท้องอะไรดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บเขาก็อ๋อยังไม่ได้ไปตรวจหกเดือนเขาไปตรวจคนเนี่ยที่แรกนึกว่าสี่ปีไปตรวจไม่ใช่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าหกเดือนหกเดือนเขาไปตรวจไปตรวจอีกทีปรากฏว่าหมอบอกไม่พบแล้ว ไม่พบไขมันท่อขับไม่พบตับแข็งนะครับคนนี้ก็เนะขายัางมาช่วยงานบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ผักหวานบ้านมาช่วยมาอะไรนะคนนี้มาช่วยงานบ่อยๆเดียวแม่มันหายได้คนนี้มาเร่งตับวันนี้สุดท้ายเนื้องอกสิบองจเซนเบียดเส้ น, เ, นสเลือดใหญ่พ่าไม่ได้หมอบอกหมดผ่าและพาไม่ได้อยากทาอะไรก็ทำเหมอนกันเลยโชคดีไปนะแต่ทําทอะไรก็ทำเลยเพออาราะปกติหมอจะดึงไปผ่ไาไปผ่าไงคนนี้เลยพอผักผ่าไม่ได้เพราะมันเบียดเส้นเลือดใหญ่อยากทาอะไรก็ทํา ปวดไข้ก็จุกเสียดแน่นท้องปวดท้องอะไรแล้วอาการนั่นอาการมะเล็งต่ำอะไรเขาไม่ได้มตัว อ, อยู่3าาเดือนครับมะเร็งมันฝ่อไป3ามเซน มาตาจันมากเลยนะหมอติดแปลกใจเลื่องอุตสาห์ติดเป็นเป็นชั่วโมงนะเขาเล่าให้ฟังนะหมองงไงเฮ้ยมันหายไปได้ไงเพราะว่ามาอะไรไงนะครับแค่มันไม่ขยายก็ฉล้องแล้วอันนี้สามเซนยุบไปคุณว่ามันเล่นๆหรือเนี่ยมีข้อมือหนึ่คือเซนหนึ่งนะสามเซนยุบไปนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะมันเป็นเรื่องมาตจันมากนะครับแตเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันมันมาจะเกิดขึ้นได้มาจันเกิดขึ้นได้ยุบฟอไปได้ ภายในภายในสามเดือนลงไปได้ขนาดนั้นอีกคนหนึ่งคนยี่สิเซนเลยนะสมเดือนยุบหมดเลยก่อนมาเร็งมเร็งเหมือนกันแล้วีสุดท้ายแล้วมันลามมาที่ท้องแล้วท้องม่นคำไดเลยสิเซนไป ม, มาผมสามเดือนยุบหายหมดเลยนะประหลาดมากเหมนนะใช้เอาเยี่ยวออผสมมาแล้วแหละเอาเยี่ยวสมทานพอกทานนะแล้วก็ปฏิบัติก้าวเล่นเลยเยี่ยวออสมทานนะสมดิ่มตอง อะไรอ่ะใส่อะไรอีกน้าโคลโรฟีนใส่น้ามันเขียวพวกนี้แหละต้องทานตอนนั้นก็ทาทั้งหมดนะัวซาเร้แต่งปรับอาหารโยคะอะไรทาหมดนะครับสามเดือนยุบหาเงเลยสิบเซนมันมน่าสัจจ์เผมถึงว่าโอ้เราบัณฑิตมันอะไรมันอายุปีแล้วปปนะเจอแต่เรื่องมหัศจรรย์เจอเรื่องแปลกๆนะครับคนไข้ันนี้เนี่ยเป็นอาการเฉียบพัน นะครับจุกเสียดแน่นท้องขึ้นไส้อาเจียนรักษาที่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลหลายแห่งไม่ดีขึ้นนะครับพอไม่ดีขึ้น2อาทิตย์นะครับเขาแย่เขาตายแล้วนะลูกสาวก็บอกกันไปโรงพยาบาลอื่นอีกนะเขาบอกขอแล้วพอแล้วขอแล้วมาแตหาหมอเคี้ยวดีกว่าเขามาหาเราแค่วันเดียวครับเราก็เสียบน้ำต้นขวดกินมีต้นขวดแล้วก็ช้อนกินข้าวนะอาหารช้อนเสียบจุกมันจะมีน้ําออกมาพอรารู้เพราโรคก็เพราะอาหารลำไส้อย่างเงี้ยเป็นไส้อาเจียนเงี้ยแน่นท้องจุกเสียดแน่นอย่างเงี้ยมีแผล นมีแท้ในกระเพาะอาหารนี่น้ํน้ำกลวยดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับเสียบน้ำน้ำกล้วจึ๊บเสียบไปสักสี่นาทีอ่ะน้ำจะออกมาเต็มแล้วให้กินกินเข้าไปพร้อมกับนิทอปับาหารนะทำไแหละนะครับนิท้อรปรับอาหารไป ว, นวาานนไปนันเดียวไข้ลดเลยอาการทั้งหมดดีขึ้นในวันเดียวเอ้นหมบางทีหมอโงพยมันโซโล่จะเป็นจะตายน่พอเปิเด <c oughs> าบามาปุ๊บเขารักษาตัวเองเขาดีขึ้น <c oughs> เขาต็อดีขึ้นแล้วก็เนียมันมหัศจรรย์ ไรเป็นโรคกระเพาะอาหารลําไส้นะอย่าลืมจะลืม น, น้าต้นขวดน้ําต้นขวดนะเสียบมากินเลยกินก่อนอาหารหรือเสียบมาได้ช็อตนึ่งนะควรจะกินเทเียวก็ได้ผสมน้ำโคลลิฟิก็ได้ผสมน้ำโคลลิฟิลเข้าไปก็ได้อันนี้จะแก้โรคกระเพาะอาหารลําไส้ดีมาก <S 2> <S 2> <S ดีกว่าช้เบอร์ดีนนะดีกว่าไซเบอร์ดีนผมลองมาแล้วนะดีกว่ก็ใช้อร์ดีนยอดเยี่ยมมากตรงนี้แล้วไอ้น้ำต้นขวดน้ำนอกจากจะแก้โรคกระเพาะอาหารลําไส้อย่างนี้นะครับ ใครที่ถายเหลวอ่ะนะถ่ยท้องเสียอนะ่ะใครท้องว่วงท้องเสียนีนะถายไม่อยู่ส่วนใหญกินประมาณหนึ่งถึงสองช้อนมันจะหยุดนะเราเสียมากินก่อนหนึ่งช้อนอ่าถ้ามันยังไม่หยุดคือไปถ่ายในขณะที่ไปถายเสียไปก่อน <c oughs> <c oughs> เสียไปก่อนนะอ่าเสร็จแล้วถายเสร็จอ่ามันยังไม่อยู่อีกสักไปอีกช้อนหนึ่งนะส่วนใหญ่จะไม่เกินสองช้อนนะครับมันจะหยุดมันจะขาดฝาดอี่ช่วยสมานแล้วมันเกินมันจะขาดเชือ้อ ไปน้ำเป็นก้วยแต่ค่าเชื้อได้ด้วยค่าเชื้อได้ด้วยพอย ม, มันมีวิตเย็นเชื้อจะตายเวลาถึงความเย็นเพราะงั้นนั่นคือทั้งรักษาแผลทั้งค่าเชื้อทั้งหยุดถ่ายได้นะ หครเป็นบิดมูกเลือดในใช้ได้นะคนเป็นบมูกเลือดมัใช้ได้ดีมากเลยเห็นไหมยาดีอยู่ในเมืองไทยนี่แหละมันไม่อยู่ไกลหรอกต่อไปเดนนะโรงพยาบาลนะู้เรื่องนะปุ๊บต้นกล้วยไหมคนไข้ต้องเสียมาเสียจึ๊บต้องเข้ามาเสียจึ๊ครับยิอบ่อหลายตนเหอนะ่โรงพ ย, ย, ย, ยาบาลการละไม่ผมว่าสนุกแน่ปรยัดยาไปเยอะลยนะย แ, แล้วนะยาน้าขาวหน้าแดงอะไรกำลังจ่ายเราเสียทั้งมันกล้วยแต่เ้าเอาคนน้องกล้วยไปปลูกที่บ้าน เรือกินเวลามีปัญหาใช้ได้ก็ทาแผลได้ดีเลยนะครับเวลามีแผลมามีบาดมีแผลทาได้ดีรสมานบาดแผลดีมากผมเคยทาแผลหลายคนแผลทะลอะแผลเลือดรังแผลสารพแผลก็น้ำส้มกล้วยใช้ได้ดีอันนี้สมานแผลไดดียังมีคนไข้เบาหวานคนหนึ่งคนไข้เบาหวานคนหนึ่งเนี่ยน้ำตาลหกร้อยชายอายุประมาณห้าสิบปีอยู่ที่ซิสเกตนะครับน้ําตาลหกร้อย โอ้ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดนะหมอบอกไม่เคยเจอน้ำตาลมากขนาดนี้บอกครั้งแรกในชีวิตที่เจอน้ำตาลหกร้อพอเจอน้ำตาลหกร้อยเนี่ยหมอก็ต้องให้นอนที่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลทั้งกินยาทั้งฉีดยานะครับเอาไม่อยู่เดือนหนึ่งคนไข้แย่มันก็ะติดเชื้อมีระไว้เข้าไปแล้วก็ได้แพ้กดทับเท่ากับลูกไขก่พอแพ้กดทับแล้วลูกไก่มันเน่าสิมันจะแย่เอาเน่ยมันเน่าแล้วมันก็นแย่นะคนไข้ก็ ก็คือหมอเขาบอกรักษาไม่ได้แล้วเอาไปอยู่แล้วคนไข้หลวขอมาตายบ้านพอขอมาตายบ้านเนี่ยนะไปเจอห น, น้าปวดไปเจอสมณะชาวโรคนักนปวดนั่นก็โอ้ลงบอกว่านแลมาหาหมอเขียวสิมาหมอเขียวรักษาได้กวางวันนี้ครับควจริงผมไม่ได้รักษาหรอกผมไม่คนไข้รักษาตัวเองผมบอกทาน้นั่นเองมาแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้แหละกิน น, น้ำคลอโรฟิลอะไรไปแล้วผมก็บอกพอน้ำต้นต้นทาเขาก็ไปทาทาท า, ทาสองอาทิตย์ครับมันตึ้นเต็มเลยเนื้อตื้นเต็มหมดเลย ปกติไม่ใช่ง่ายนะมาหวานตัดแล้วตัดอีกตัดแ้วตัดอีกนะแต่เป็นแผลปวดทับที่ก้นไม่รู้จะตัดยังไงตัดเอวออกกัน <c oughs> เอาขึ้นดูเออไม่รู้จะตัดยังไงนะก็เลยต้องอย่างนั้นแหละก็เลยต้องรักษาไปเพราะรักษาไม่ง่ายหายแล้วก็กลับไปทํางานวันที่มานี่ยหามกันมาเออวันที่กลับเดินกลับ <c oughs> เดินกลับไปแล้วก็ไปทํางานคนนี้แปกใจใหญ่แล้วนึกว่าตายแล้วนะกลับมาได้ยังไงคนนี้ว่าไม่รอดแต่รับก็รอด เนยมันน่าจังน้ำต้นเกลือนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจังใครเป็นแผนในกระเพาะอาหารลำไส้กใช้ได้ผู้ป่วยคนนี้ก็เป็นเบาหวานน้าตาลสามร้อยนะครับมาเข้าค่ายก็ปฏิบัติตัวเขร่งคัดหนึ่งเดือน น, น้ําตาลปกติหยุดยาได้เแต่แล้วลคนไข้คนนี้มีมะเร็งที่ลําไส้นะครับขนาดสามคูณ้าเซนกำไส้ใหญ่ ตาหุนห้าเซนเขาเอาเอกสเสลยมาให้ดูเลยแล้วหมอนัดผ่าเขาไม่อยากผ่าเขาไม่อยากผ่าเขาก็เลยไปเลยแบบตัวสสัปดาห์เข้งข้านเลยนะสอสัปดาห์ปุ๊บปบรากฏว่ามันแตกพั่วแล้วก็ุดออ ก, กมาเลยสองสัปดาห์แตกพั่วหลุดออ ก, กมาเลยนะนี่นี่คือเขาผ่้นเขาบอกเม้นมากเลยเป็นน้ำดำๆออกมาแล้วก็เนา่าเม้นเขาบอกโอ้โหทนแค้ไม่ได้เลยนะครับเน่าเม้นทนไม่ได้มันก็จะเขาบอกเขาต้องวิ่งออกมาจากห้องน้คคิดสเพราะว่ามันแตกในห้องน้ำพอดีไปนั่งถ่ายแนละ้วมันพั่วออกมา เขาเบนมากเาวิ่งออกมาจากห้อง น, น้ำเสร็จแล้วก็กสบายสบายเนื้อสมัยตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปกติเขาเขาก็อยู่ในปกติหายปกตินะก้อนนั้นก็หายไปคนไข้คนนี้ก็เนื้องอกที่ตับนะครับเนื้องอกที่ตับเป็นมะเร็งที่ตับนะเข า, าเปฏนะิบัติตัอยู่หนปีนะมันก็ยุบทายไป เยอะมากแล้วนั้นเ ล, ล้ทะเลาที่ตับแรกออกมาสี่ซิงเกิลแบบสี่นิ้วมือแลก่าจะใช้โครงอะสี่นิ้วมือจากนี่เห็นเลยแลกมาสี่นิ้วมือเขารักษาตัวอยู่ปีหนึ่งเวลาหายเขาแค่คนนี้มันไม่ได้หายแบบเพื่อนเขานขั้นคือมะเร็งนี่มันจะหายสามแบบที่ผมพบนะสามแบบหนึ่งก็นั้นยุบยุบยุบยุยุบไปเฉยเลยสองก็นั้นกลายเป็นน้ํา น้ำก่อนกลายเป็นถุงน้าแล้วค่อยๆยุบไปยุบไปยุบไปยุบไ ป, มไปผมเจอเจ็กคนไทยหลายคนมีเด็กคนหนึ่งก็เข้ากับปั้นเลยแข็งเลยที่คอโรบาลน่ารักษาไม่หายน้นก็เขาปฏิบัติตัวก็กลายเป็นน้ำแล้วก็ยุบหายไปก่อนแข็งกลายเป็นน้าแล้วก็ยุบหายไ ป, ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะแตกอีกแบบนึ่งมันจะแตกของมันเจาะ มันอเลยมันจอกเองเลยเป็นพิษมากๆปัญหาที่ออกมาไม่ได้เป็นพิจารณาจอกอ่ะมันจะจอออกเองเลยจะแตยขัวออกมาเลยหรือจะซึมออกแตกออกนะครับพอแตกออกปุ๊บน้ําเหลืองจะไหลออกมาน้ําเหลืองน้ําำน้องบังส่วนจะเริ่มไหลไหออกมามันกลายพิษออกมาแต่มันจะไม่เหม็นมันจะไม่เหม็นเน่ามันต่างกันนะกับการแตกจากการรักษากับแตกจากการไม่รักษามันต่างกัน แต่ในการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีน้ำเลื้อนน้ำหนองออกมาเหมือนกันแต่มันจะไม่เหม็นเน่าและคนไข้จะรู้สึกสบายขึ้นเวลามันแผลบองบางจะรู้สึกสบายขึ้นมันจะไม่เหม็นเน่าและสุดท้าแผลจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันแผลจากการรักษาไม่ถูกต้องเน่ยเหม็นดูไม่ได้คำที่พูกเราฟังไม่ได้เม้นดูไม่ได้เม้นนะมันจะเหม็นเพราะมันมีความต่างอยู่นะครับมันเหม็นมันอักเสบมีความต่างตรงนี้เท่าที่คนไข้คนนี้ไม่ไม่ใช่การสามัน คนไข่คนนี้เนี่ยหายแบบพิสดารก็คือก้อนนั้นปีหนึ่งมันกลายเป็นน้ํากลายเป็นน้าเสร็จปกติมันจะค่อยๆซึมหายไปนะมันก็จะค่อยๆพอกลายเป็นน้ำในร่างกายจะค่อยๆขับออกนะฮะค่อยะเก็บออกทางเพราะ ว, ว่าทางอุจจาระทางเหนือทางใครเราสลายเป็นน้ําได้เสร็จนะแต่ร้รากฏว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมันกลายเป็นน้ำทั้งหมดแล้วเขาก็ไปนั่งรถนะแล้วรถมันเขยา่าไอ้ทางมันเขยา่าเขย่ามันแตกโคตรเลยไอ้ก้อนนะมันแตก ไอ้ถ so mm. ุงน้ำเนมันแตกจากก้อนแข็มักายนถุงน้ำแล้วมันแตกพอแตกพวกนั้นปเขาปวดทรมานมาข้างหลังนะแกก็หมอแหนโบราช่วยแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาก็รีบมาหาเราเขาก็รีบมาหาเราปุ๊บหมอเขียวคนเดียที่ช่วยได้เขาวันนั้นเ้าก็รีบมาเลยนะเขาอยู่ยกสวนมาปุ๊บผมก็ใจวิชาแพททั้งเลือดเกี๋ยวจะเผาปากว้าหมอพีไอ้งเรื่องวางห่วยดโดตกเข็มชึ้งชึ้งชึ้งดูดที่อนะ โดูเสร็จปุ๊บนะเขาบอกโอ้หมอมันไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกงั้นนะแล้วท้องก็ยุบเป็นวันเลยคือ <c oughs> พิษเนี่ยมันซ่านไปออกข้างหลังแล้วมันออกไม่ได้มันก็ดันอย่างนั้นก็ปวดสิเพอามันยังเป็นพิษที่ร้ายอยู่ร่างกายค่อยๆเก็บเคลื่อนออกอยู่เขาจะค่อยๆเก็บเคลื่อนออกเก็บเคลื่อนออกเก็บเคลื่อนออกนะครับแต่เพราะคำว่าของแกมันเป็อุบัติเหตุเราก็เลยต้องอาศัยวิธีดูดออกช่วยแก่นะครับออก็ก็ออกไปได้ไปเลย โอเคฮะคนไข้คนนี้ก็ขนไกนัอย่างมะเร็งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ่าก็สีู่ณหกเซนนะฮะอีค อ, อนเบสิกะดิบตัวสเดือนนะฮะยังยุบไปหมดเลย น, ะนี่ก็อันนี้หมอที่สีน้ำขาินเนี่ยขนแก่เนี่ก็นัดผ่าเนี่ ย, เ, ยเขาไม่อยากผ่าใช้ในทางของเราก็สี่เดือนคนไข้คนนี้ก็มะเร็งเต้า น, น้รนะักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็เคมีบาบัด น, นะครับขนะให้เคมีเนี่ยนะ แพ้อย่างรุนแรงเลยนะครับผมร่วงอ่อนเพลียมากนะทานอาหารได้น้อยวันที่มานะอัวชืงนเลยนะอัวมมาแล้วก็มือแก ม, มันเงี้ยผมจําได้จําติสาลรดำดำนะคนดำดำหัวโล้นมานะหัวโล้นลมือดำปี๋มาเลยน้ำมือเงี้ยมันแข็งเคลื่อนอะไรไม่ได้แข็งแบบนี้เลยครับ แต่แล้วก็ปฏิบัติตัวไปได้ห้าวันก็เริ่มยืนหยุดเริ่มดีขึ้นนอนหลับได้อะไรได้ก็จะ น, น, นอนก็ต้องนอท่าเดียวนั้วขยับท่าอื่ไม่ได้จะบอกนอนได้ท่าเดียวโนอยู่ยังไงทุกทรมานมากผม ก, ก็ปฏิบัติตัวร่างกายดีขึ้ทุกวันนี้แข็งแรงทุกอย่างมันยุบหายอะไรไปหมดเลยนะทุกวันนี้แข็งแรงเปิดฟัวมาได้มาช่วยพวกเราก็มาช่วยบ่อยๆนะแข็งแรงมากห mm hmm. น้าตามีพลังชีวิตดีมากสลอดภัยมากตอนนี้ตั้งใจปฏิบัติดีเด mm ็ hmm. กคนนี้ก็ไม่ไข้เลือดออก งายที่สากแก้วนนคือท่าเลือดออกแล้วหมอลงไปมารักษาอีู่สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นเนี่ยเปลียนเลือดต่ําจนสุดท้ายเลยนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอก็รักษ า, าไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นก็เลยบ<แ>เอเราไปทําค่ายที่สากแก้วพอดีนะครับแล้วหมอเขาบอกว่าบอกให้แม่ทําใจว่าเสี่ยงกว่าการตายนะเด็กคนนี้เสี่ยงที่จะตายนะครับ โอกาสรอดน้อยหมอบอกไปทำใจแล้วโอกาสรอดน้อยอเพราะเกิดเลิ่ดแตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วหมอเขาแก้ลูกไข่ก็ตอบไม่เป็นหรอกครับเออ เขาก็เลยมามาขอให้พวกเราไปช่วยที่โรงพยาบาลก็ส่งทีมไปช่วยมีจิมมี่กับฟาใสไปช่วยกันเราไปช่วยนะไอก็ไปชั้นีิชาวพวกเราเงียแหละแพทย์วิถีพุทธนะไปก็อา้าวรู้ว่าใครระดอยมัรนร้อนกันไอ้น้ำกรโลฟินกินก็ไปเช็ด ต, ตัวด้วยน้ำกลโลฟีนดีทอ่อนะเขาก็หักคอนิดหน่อยคนะอจิมมเพ็กนิดหน่อยเพระแ่กระดูกให้กนะที่คอเด็กปวดมก็ใจกระดูกใบิดคอให้นั้นแหละแล้วก็บิดเทียจิมมี่เราบางครั้ผมก็แค่บิดคอกับบิดเดียวเด็วดมกับวเดีย ผมก็ปิดคอกับปิดเดียว <c oughs> แค่ น, นั้นแหละที่พี่ว่าแต่แล้วภายในสองอนนชั่วโมงนะครับเด็กไข้ลงพอไข้ลงปุ๊บเก็บเลือดขึ้นมาในสองชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ออกจากโรงพยาบาละ